เมื่อพูดถึงหมาหรือสุนัขอาการเป็นสุนัขเป็นอย่างของสุนัขเป็นอย่างนั้นตอนที่ไปป่วยที่จ๊กะโก้ ก, ก, ก็มีความรู้สึกว่าอาการที่เป็นอย่างนี้เหมือนสุนัขจริงๆทั้งๆที่มีแรงอยู่เป็นปุ๊บปั๊บก็ล้มจับพลันก็คิดในใจก่อนที่จะหลับว่าอาการอย่างนี้อาจจะมาเชื่อของสุนัขที่เป็นไข้ก็ได้จึงหมอวันตรีเคยเตือนไว้กับจำปี เพราะว่าไอไวรัสที่มนเป็นสุนัขอาจจะระบาดมาติดตรงพ่อได้คนสุนัขไปอยู่ข้าง น, นอกแต่ยานนั้นยังไงก็ทำไม่ได้เพราะไปอยู่ที่ไหนสุนัขมันก็ล้อมแต่วันไหนแกไม่เห็นรู้สึกว่าแกไม่สบายใจวันไหนไปเรื่องอาหารที่ไม่ไปด้วยแกก็เหงาก็ลงความว่าสุนัข ก, กับมันโลกยังไงไงก็แยกกันไม่ได้ก่อนจะหลับก็คิดว่า ตอนจะภาวนาจะหลักคิดว่าไอ้เชื้อแห่งสุ น, นัขที่สุนัขมันป่วยไวรัสไอ้คําว่าไวรัสนี่ก็แปลภาษาไทายไปยังไงก็ไม่ทราบเขารักก็รั ก, กเขาด้วยคําว่าไวรัสเขาไม่ได้แปลไวที่ไหนก็รักที่ไหนก็รักอาจจะมาจะวินิจฉัยศาสต์ก็ถือต้องถือว่ามันรัดไหวๆไนั่หมายความว่ารัดปรับกระล้มปกขยับตัวไม่ได้ รัดจะแน่นแล้วก็ไม่ยอมปล่อยคราวนี้อาจจะเป็นเพราะไวรัสประเภทนั้นเมื่อจิตตวัดถึงไวรัสก่อนจิตก็เคลิมลงภาวนาก็เคลิมลงก็หมดความรู้สึกก็น่าจะเป็นหลับหลับหรือไม่หลับก็ช่างฝันแล้วขณะที่หลับลงไปก็มีความรู้สึกว่าเห็นพระท่านมาพระท่านมาอยู่ข้างหน้า ให้ก็ถามว่าสงสัยในอาการโรคใช่ไหมก็กลาบเรียนได้บอกว่าใช่ฝันนะญาโยมทั้งหลาย่าลืมว่าลี่เรื่องฝันแต่ก็บอกว่าเธอสงสัยเรื่องไวรัสใช่ไหมก็ตอบเธอว่าใช่ถ้าบอกคำว่าไวรัสเดี๋ยวจะเชื่อโรคประเภทนี้มันมาทางอากาศแล้วก็โรคที่เธอเป็นนี่ก็เป็นความจริงมันก็เป็นเชื้อที่มาจับกับสุนัขแล้วจับกับหมา ทำไมหมาป่วยแต่ว่าไม่ใช่หมาส่งโรคให้แก่เธอการที่จะป่ว ย, ย, ย, ย, ยไข้ไข้ไข้ใดเก็บก็ต้องเป็นเรื่องกฎของกรรมหมาจะเสกขึ้นปานอาทิตย์บาทดังนั้นโรคจะ น, นี้นี้มาเกิดขึ้นไม่ควรจะโทษสุนัขเธอจะมีสุนัขอยู่ใกล้หรือไม่มีสุนัขอยู่ใกล้เธอก็ต้องป่วยเจ้าโรคประเภทนี้ไม่จะออกมาจากสุนัขไม่ได้เกิดจากสุนัขมันอยู่ในอากาศ ท่านก็ชี่ยดูในบริเวณกัติในายกาศแหงนหน้าขึ้นไปใกล้เพดานไวรัสเต็มหมดมันเต็มขนาดที่เรียกว่ายัดกันแน่นเอียดหาช่องว่างไม่ได้ดูภาพไวรัสต่บอกภาพของไวรัสมันมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันเยอะมีและดูหลายพวกไม่เหมือนกันจำได้สามสี่พวกก็พวกหนึ่ง ตัวยาวๆคล้ายไส้เดือนแต่ไม่ยาวมากยาวนิดหน่อยลักษณะการยาวกลมลักษณะที่สองลักษณะกลมกลมบ้องกลมนก็ะสุนลักษณะที่สามเป็นตัวเหลี่ยมแต่ก็ไม่ใช่สี่เหลี่ยมมันเป็นเหลี่ยมเหมือนขาลามตัดแบนๆหนึ่เหมือนข้ลามตัดเป็นเสี้ยวแบบนั้นลักษณะที่สี่ถ้ารีจัมได้หัวโตๆแคกรอยไปนิดหน่อยไม่ยาว จากตอนกลาง้าไปเป็นเกลียวแต่บอกว่าลักษณะที่เธอเป็นคราวนี้อาการของไข่จากไวรัสตัวเกลียวแต่บอกไอไวรัสตัวเกลียวเนี่ยมันร้ายแรงมากก็าถามได้ว่าถ้าไวรัสมีลักษณะอย่างนี้การสูดเข้าไปทางลมหายใจลอดคอก็ดีทางปากาก็ดีทางจมูกก็ดีเข้าไปแล้วมันจะทําอะไรก็เหมือนกับละองฝนที่ไปปะจุดใดจุดหนึง่ง ท่านบอกก็ไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้เข้าไปเกาะกินเม็ดเลือดแล้วตามส่วนต่างๆของร่างกายทาให้ประสาทสุดโทมเล่นประสาทประสาทจะหมดกําลังในการเข้าไปมันมากก็ขอดูการเข้าไปไมันอยู่ที่ไหนบ้างมันอยู่มากมายเหลือเกินก็ถานว่าไอ้แค่เข้าไปแตะอย่างนี้จะมีโทษยังไงมันไม่มีกําลังแล้วบอกว่าเท่าที่เห็นนี่มันเป็นเพียงเปลือกนอกของมันเท่านั้น จริงๆแล้วเฉพาะไวรัสที่มันกินเธอมันเข้าไปทําลายเธอเวลานี้รูปร่งางลักษณะเป็นอย่างนี้ก็เห็นเป็นตัวมีหัวเหมือนก็บหอแล้มีขายาวมีก้ามแล้วมีเขี้ยวหางแล้วก็หาง ย, ยาวๆหน่อยถ้าทางเป็นสัตว์ที่มีความรุนแรยมากถ้าบอกนี่ักษณะจริงๆเขามันเป็นอย่างนี้แล้วถามได้ว่าการทําลายและป้องกันจะทํำยังไง แต่ว่าวิธีป้องกันก็ดีทําลายก็ดีวิธีของโบราณ น, น่ะดีที่สุดแล้วกราบเรียนถามได้ว่าวิธีโบราณเขาทํำยังไงท่านก็บอกว่าคนที่มีความยากจนเขามีความยากจนแล้วก็อยู่ไกลไม่เคยไกลความเจริญไกลแบงไกลเงินเหรียญไกลธนบัตร เขาอยู่ไกลธนบัตรการไกลเงินเหรียญที่บ้านมหาธนาบัตรไม่ได้หาเงินใช้ไม่ได้ก็แล้วกันเ <c oughs> <c oughs> มื่อหาเงินใช้ไม่ได้ทำยังไง <c oughs> เวลาจะนอนม้งก็มีอากางยุงก็กินโลกกินตัวเ <c oughs> จ้าสุนัขที่เลี้ยงไว้มันช่วยเป็นยามรักษาบ้านมันก็ไม่มีม้งแต่นอนเจ้าของก็สงสารเจ้าวัวและควายเป็นภาชนะที่เลี้ยงชีพมันมันเลี้ยงคนวัวและควาย มันจะมีชีวิตยอยู่เพื่อการเลี้ยงคนจริงๆมันก็ไม่มีงุมันหนาวหามุ้งไม่ได้จะของท่าอย่างไงตัวเองก็ลําบากยุงกัดสุนัข ก, ก็ยุงกัดเจ้าวัวหรือควายเป็นพันะุใหญ่ก็ยุงกัดในที่สุดก็ต้มสมไฟให้เป็นฟันไฟที่เป็นฟันลงเข้ามาในบ้านลงมนในค้อควายไล่ยงุง ควันหนาจริงๆยงทนไม่ไหวจนเขาห น, นีไปอาการอย่างนี้ท่านบอกว่าคนที่ก็มีความร่ำรวยเ <c oughs> ทียวบอกเขาถึงความเจริญแรกาก็บอกมันเป็นภัยควันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดโรคทางปอ ด, ดเป็นวันโรคเปืนอต้นได้และมะเร็งได้ท่านบอกว่าแต่คุณค่าของควันมีประโยชน์ใหญ่มากนั่นคือทั้งป้องกันและทำลายแบคทีเรีย ก็นึกในใจว่ามันเป็นความจริงยังไงถ้าบอกควันเข้าไปถึงไหนสารไหนแต่ควันหนาแบบทิมแบทิเดียที่นั่นตายหมดอยู่ในช่วงนั้นตายหมดถ้าลอยเข้ามาใหม่ก็ตายอีกมันควันจะมันจะดึงโดดเทิเดียที่อยู่ในวงใกล้ไม่กลนักขามาเผาสารล้มตายหมดแต่ว่าถ้าไฟถ้าเป็นเปลวไฟถ้าเป็นเปลวนี้จะเป็นช่องว่าทําลายเมทิเดียได้ดีมากท่านก็บอกว่ายาวไฟไปโจมบ้านนะ เพียงแค่สมไฟให้เป็นเปลวเป็นเปลวแบตเตอรี่จะลงมาตายมากดับดึงแัตเตอรี่กระจาอากาศจะเกิดการช่องว่างหรือว่าอากาศว่างไม่นานแน่นไปด้วยตัววัตเตอรียที่ยัดเยียดกันความว่างเกิดขึ้นอากาศก็มีการเคลื่อนไหวนั่งเคือนลมนลมมาแล้วก็ดึงแบตเตเดียต่างๆที่ไหล ย, ยมไม่ไกลเกินไปนักลงในกลองไฟแบตเตอรียก็ตายหมด ให้หมดโลกหมดไม่ได้หมดในช่วงนั้นต่อมาเมื่อเปลวไฟหมดเจ้าของก็เอาของติดเปียกชุ่มชุ่มมาทับเขา้าฟันก็เกิดตอนนี้ก็ทำลายวัตเตอรีอีกตอนหนึ่งรวมความว่ท่านบอกวิธีของโบราณแต่ก็อยู่ไกลไม่ใช่ไกลความจเจริญแต่ไกลแบงไกลธนาบัตรไกลเงินไกลทองเพราะมีความยากจนเขาไม่มีความรู้ในการทาลายแบตเตอรี่ ไม่รู้จักคําว่าแบตทีเรียคืออะไรแต่ความจริงไม่ใช่แต่โบราณนะอาตมาเองก็โบราณเจ็ดสิบปเศษไม่ไกลนักก็ยังไม่รู้จักแบตทีเรียเลยรูปร่างจริงๆเป็นยังไงเพิ่งเห็นตอนทราะทนายฝันะฝันพระเต็งคี้ให้เขาเห็นมันเต็มไปหมดและในสุดก็มาทราบวิธีป้องกันและทำลายตามความรู้สึกในความฝันในคราวนั้นท่านบอกว่าเวลานี้หมอมาแล้ว เตรียมเครื่องสนปั ส, สวะมันด้วยมากับพยาบาลเธอตื่นสักทีลืมตาได้หมอมาพระก็หายไปสะดุ้งตัวตื่นก็มองเห็นมาออหมอมาพอดีหมอกําลังกราบก็จึงลุกขึ้นมาคุยกับหมอด้วยความจริงบอกหมอว่าจะสวนปั ส, สวะแต่ว่าตอนนี้เรื่องปัสสวะมันหมดไปก็ไม่มีการที่ต้องสวนกันอีก ถ้า ล, ลืมบอกหมอก็คุยกับหมออาการที่คุยกับหมอวุฒิชัยนี่เธอคุยเก่งเป็นคนน่ารักชื่วุฒิชัยแล้วก็วงสรรวงสรรก่อนรคนนี้คุยเก่งมีท่าทางสุภาพเรียบร้อยจริยาดีเข้าถึงคนดีมากถ้าพูดภาษาชาว บ, บ้ายได้ประชาสัมพันธ์ดีและสังคมดีคนนี้ขอสรรเสริญ ว่าคนนี้ไปอยู่ที่ไหนคนไข้าตายยากเธอดีมีเวลาการคุยดีมากสร้างความพัดเพลินสร้างความเชื่อใจกิจวิทยาก็สงูงเมื่อเธอมาแล้วก็คุยกันแทนที่จะบอกให้หมอสวนบอกอาการเจ็บปวดก็ลืมเห็นหน้าหมอก็ถามหมอว่าคุณหมอว่าไอไวรัสเนี่ยมันเป็นยังไงนะฉันอยากจะทราบ คุณหมอก็บอกว่าคำว่าไวรัสนะครับผมก็ทราบตามตำราแต่จริงๆแล้วตัวมันเล็กมากกล้องจุลทรรศอย่างดีมองไม่เห็นแล้วก็เลยเข้าใจว่าถ้าพิรู้ต้องมีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ใหญ่มีเครื่องจับภาพได้ดีกว่ากล้องจุลทรรศที่ใช้กันอย่างดีเพื่อกล้องจุลทรรศอย่างดีที่ใช้กันเขาควจะดีกว่าจึงสามารถเห็นตัวได้ แล้วถามว่าหมอไวรัสรูร่างลักษณะเป็นยังไงเธอก็บอกว่าตามตำรามันมีมากครับแต่ลักษณะที่เธอบอกก็หนึ่งตัวกลมยาวนิดหน่อยตัวกลมแล้วก็ตัวเป็นเหลี่ยมแล้วก็ตัวเตั ว, ต, วตัวมีเกลียวก็เธอก็บอกสองสามลักษณะเธอบอกความจริงมีมากผมก็จับไม่ได้มันก็เป็นการบังเอิญไปตรงกับความฝันพอดีฝันเมื่อกี้นี้ เลยบอกหมอว่าเออเมืกี้ฉันฝันไปฝันไม่เห็นจําได้แค่รูปร่างลักษณะที่คุณหมอบอกเหมือนกันแต่ความจริงมันมีมากในกุฏิฉันนี่เต็มไปหมดข้างนอกก็เต็มหมดถามเรงวิธีป้องกันคุณหมอก็บอกว่าวิธีป้องกันหรือวิธีทาลายแต่ว่าคุณหมอจะไม่บอกก็ไม่ทราบเป็นกันลืมไปนี่นเวลาปล่วยเวลานี้มันก็ใกล้จะทีสามแล้ว ถึงวิธีทําลายหมอคงไม่ได้บอกลืมถ้าบอกก็ลืมแล้วรวมความก็คุยกันเรื่องไวรัสคุยกัไ ป, ค, ไปคุยมาก็เลยบอกหมอเมื่อกี้ันฝันไปซึ่งพระท่านบอกว่าวิธีโบราณดีที่สดุดนั่นคือฟันไฟและเปลวไฟคุหมอก็บอกว่าไอ้ที่โรงพยา บ, บาลผมไม่รู้จะสมตรงไหนดีก็เลยบอกว่าไม่ได้บอกให้หมอไปไล่วิธีนี้ เป็นว่าชันฝันไปไปอย่างนั้นแต่รูปร่างแลือขนาดบางเอิญมันเหมือนกันแล้วคุยกันไปคุณมาเวลาก็มากไปเกืบอบชั่วโมงคุณหมอก็บอกว่าหลวงพ่อครับอาการของโรคมันเป็นก่อนมันเป็นแล้วก็อาจจะเป็นใหม่ได้รักษาหายอาจจะเป็นใหม่ได้เธอก็ทนการมาของเธอแล้วบอกว่าการจะสวนความเพียงเวลาเสียไปมากจะสวนดีแล้วไม่สวนดีก็เลยบอกคุณหมอกว่า การสวนและไม่สวนก็พักกันไปก่อนกิจในการสวนไม่มีท่านนี้เพื่กลับมาล้างทองปัสสาวะมันไหลแล้วถามหมอว่าตามธรรมดานปัสสาวะออกล้างทองมันหายไหมท่านก็ยิ้มก็บอกว่าก่อนที่หมอจะมาตอนเวลาประมาณบ่ายโมงท่านก็นอนภาวนาไปมีความรู้สึกว่าพระท่านมาท่านบอกว่าไม่ต้องล้างทอง พราเท่าที่เป็นนี่อุจาระมันแข็งแล้วก็มันเต็มกระเพาะมันไปดันเอาท่อปัสสาวะติดน้ําจึงไม่ไหลเวลานี้ก็ล้างท้องแล้วตามพระแนะ น, นําแล้วก็ปัสสาวะของตัวไม่เรียกว่าไม่ต้องสวนกันหมอก็บอกว่าดีแล้วคุณหมอก็เลยลากลับก็มีคนไข้คอยอยู่แต่ความจริงถ้าบอกคุณหมอแต่แรกคนไข้ที่คอยอยู่ก็ไม่เสียเวลา น่าจะมาเป็นพระแก่ที่บรรดาแทนพุทธบริษัทก็เลื่อห่วงใย่คนอื่นเวลานั้นร่างกายรู้สึกมันดีขึ้นอาการปวดต่างๆก็คลายตัวเมื่อหมอรอกลากลับไปแล้วก็บอกให้พอนวดเขื่อนคงดีว่าลองสมไฟในห้องนี้พระจะแนะนำไว้ใช้ถาดใส่น้ำรองเอาเตาถานมาตั้งบนถาดบนน้ำที่มีน้ำแล้วก็ถ่านใส่ แล้วก็เอากะเพร้าใส่ให้เป็นควันท่านสั่งให้ปิดหน้าต่างประตูให้หมดปล่อยควันอบอยู่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เปิดหน้าต่างประตูดับไฟเสียแล้วไฟไปเก็บที่อื่นเปิดพัดลมให้ควันกระจายออกอย่างนี้จะบอกกําลังเชื่อโลกแบคทีเรียภายในจะสลายตัววันรุ่งขึ้นเธอก็ทําตามนั้นน่าตมากลับจะรับแขก การป่วยเขานี้ดีมากพันดาท่านพูทบริษัทเวลานั่งรับแขก ค, คุยบางคนก็สังเกตได้ว่าป่วยบางคนไม่สังเกตก็ไม่ทราบบางทีกําลังไอยอยู่แก๊กแก๊กแก๊กมีบางท่านถามว่าหลวงพ่อสบายดีนะครับก็น่าสลดใหญ่คนเดินไม่ไหวจะเดินขึ้นไปก็ต้องมีคนประคองแล้วก็เสียงก็ม่มีกําลังไอแข็งแคกงก็ถามว่าสบายดีหร้อก็ เรื่องธรรมดาของคนบรรดาทนพืบริสัทคนที่มีความรู้สึกรอบครอบความมีรืองความรอบครอบความมีเป็นของธรรมดาถ้าโดยตาำธรรมดาแล้วถ้าไอายอยู่ก็ไม่น่าจะถามว่าสบายดีหรือถ้าคนไอสบายชาบ้ายก็อยากไอกันหมดวิธีทำไอมันก็ไม่ยากแต่ว่าใครก็ไอทีไรเขาหาทางกำจัดจมินั้นเมื่อเธอทาอย่างนั้นแล้ว ตอนบันรุกขึ้นอาตมาก็กลับเมื่อการป่วยเขานี้กลับมาที่ไรนอนแบบทุกทีสงน้ำเสร็จฉันยาเสรจก็นอนพุกไปเลยอย่างดีก็จักห้าโมงยินพอจะคลายตัวลุกได้สองทุ่มบ้างสี่ทุ่มบ้างมันก็ไม่ไหวจริงการเดินเขาต้ประคับประคองขาก็แกว่งหัวก็หนักมันก็มีการเม่นกกงตาก็ลายพร่าพราวไปหมดแรงก็ไม่ดี ยินดีคิดว่าการตายแค่คำนี้เป็นของดีที่สุดแต่เราก็ไม่มีสิทธิในการฆ่าตัวตายหลังจากนั้นหลังจากล้างปัสสาวะแล้วขอบรรดาเล่าลัดเวลามันเหลือไม่มากเล่ารัดลัดไปว่าการใช้ยาก็รู้สึกว่ามีการคล่องตัวอาการโรคค่อนข้างเบาเบามันจะน้อยแตน้อยจึกระทั่งต่อมา ก่อนหน้านี้สี่วันนี่วันนี้วันที่สิบห้ามิถุนายนสองพันหร้อยสามสิบวันที่สิบห้าวันที่สิบสี่วันที่สิบสาวันที่สิบสองหรือว่าวันที่สิบสองแล้วันที่สิบเอ็ดทำไมสาบจำไม่ได้วันนั้นตอนยินก่อนอาบน้ำก็มีเสียงบอกสั่งอาหารวันพรุ่งนี้แข็งข้าวเวลาเพลนให้ใช้อาหารแบบนี้นะได้ความจริเข้าม็ด ข้าวสวยและบรรดาเทพธุดไวสัทฉันไม่ได้มานานมันฉันได้วันสงวันพอฉันได้บ้างเป็นไม่ขราสวยก็ต้องเลิกไปฉันจะนน้ำข้าวต้มบ้างฉันเป็นบุนๆเส้นต้มแทงข้าวบ้างก็รอชะลอชีวิตดันคิดจะบ้ายเขาไม่ทํากันวันนั้นท่านมาสั่งฉันสั่งฉันข้าวให้ทําอาหารพิเศษนั่นคือทำน้ําปลาผสมน้ําปลาก็มีอะไรบ้างมาซับหนึ่งน้ําปลา แล้วก็สองเห็ดดองแล้วก็สามมือกระเทศอะไรบ้างก็บใบสัตว์จําไม่ได้คอนั้นก็จําได้คอนั้นก็จําปีไปไม่ครัวจําได้เขาทําให้ก็ไปฟุกข้าวกินรู้สึกว่ามันก็มีรสมีชาติทันเข้าไปได้ตามสมควรไม่มากนักต่อมาเขาค่อยจะวีดีขึ้นท่านก็มาสั่งอาหารทุกวันเมื่อก่อนนี้ท่านย่าสั่งแล้วต่อมาก็พระสั่ง อาหารเฉพาะวันวันพวกนี้ตอนเพลงฉันอย่างนี้นะวันนั้นฉันอย่างนี้สั่งเฉพาะอาหารอาหารที่ท่านสั่งมีประโยชน์ไม่ใช่รสอร่อยแล้วก็ฉันของท่านได้แต่แต่ใจอื่นมันถอนตัวก็ต้องฉันอาหารโดยเฉพาะอาการก็ก็คลายขึ้นคลายขึ้นตามระดับมาวันนี้เป็นวันที่มีแรงจริงๆได้สี่วันถึงวันนี้นะเมื่อวานนี้มาวันที่สิบสี่ ตามธรรมดาแล้วเดินหน้ากฎติก็ไม่ไหววันที่เด็สี่นอนลงไปห้าโมงเย็นอาบน้ำสัญญาเสร็จก็อ น, นอนถึงหกโมงเย็นแค่ภาษาโบราณก็เลยกันนะไอสิบห้ า, าราารทีเจ็ดรกาไม่เอาละี้หาใบหวยถ้ามงเย็นถึงหกโมงเย็นมีความรู้สึกว่ามีการขับถ่ายเข้าส้วมพอเข้าไปส้วมเสร็จถ่ายเสร็จล้างส้วมแล้ว ก็จะกลับเข้ามาที่นอนก็มีเสียงบอกว่าให้ขึ้นไปนชั้นสีอาตมานอนชั้นสามแลถามเสียงว่าจะขึ้นไปไหวหรือแค่เดินชั้นนี้ท่งก็แย่แล้วการจะขึ้นจะลงพระก็ต้มารอจะพระอ น, น, นันต์ห่างตัวไม่ได้ต้องคอยจับขึ้นมาแม่งมันจะหล่นบันไดเดินก็ส่วนจะลม้มพระอื่นท่านก็ห่วงแต่ว่าท่านอยู่ใกลพระอนันต์อยู่ด้วย ก็พรนุย์ก็จะเปรียกสองคนก็ช่วยกันติดตามขึ้นไปเพื่อกรงม่จะลม้มแต่ความจริงถ้าเผลอก็ล้มทันทีมีไม่เท้าไม่เท้าก็ต้องยันกันตลอดเวลาขาก็แว่งหัวหัวก็หนักก็เวียนหัวขาก็ไม่มีกำลังขาก็แข็งมันเดินเดินนิ่มหน่วยก็ได้ต้องเดินเร็วๆมันยกขําเองผลักตัวไปเองในการป่วยขนาดนี้ ก็ถามเสียงว่าจะฉันจะขึ้นไหวเลยเสียงบอกต้องขึ้นไหวถ้าถามว่าจะไหวได้ยังไงก็เสียงก็บอกว่าเป็นเสียงผีนะไม่เห็นไม่เห็นตัวขึ้นเติดฉันจะช่วยก็ลองคว้าก็ขึ้นบันไดชั้นสี่ไอ้ขาเนี่ยก็เหมือนก็ไม่มียางหน้าเท้าหน้าเท้าเหยียดออกไปมันก็รู้สึกแข็งแข็งเหมือนก็เหมือนกับอะไรยางแข็งแข็งมันก็ไม่ค่อยจะอ่อนตัวก็พยายามขึ้นชั้นสี่ ชั้นสี่ลังคาไม่เต็มด้านหน้าไว้อาไว้เป็นชานด้านหลังเป็นชานร่าตาอากาศก็ออกไปที่ชานลมดีมากรู้สึกมีกําลังก็พยายามเดินบนชั้นสี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงการเดินก็ค่องตัวทีละน้อยแต่ น, น้อยรู้สึกว่ามีกําลังขึ้นหลังจากนั้นทุ่มเสร็จประมาณทุ่มครึ่งก็ลงมาลงมาชั้นสามลงมาก็ยังไม่เข้าห้องไปเดินที่หน้ากุฏิชั้นสาม พอเดอากาย ก, ก็ร้อนลมหยุดต้องเข้าถึงห้องหนีความร้อนอกระรองความว่าบันนั่นรู้สึกมีแรงดีอยากจะทํางานแต่ทำไม่ได้มากหยุดโน่นช่นี้นิดหน่อยไม่มีอะไรหนักแค่หยิบของข้างข้า ง, างตัวมารกุมรังเท่านี้ก็เวียนศีรษะก็ล้มตัวลงนอนมีก็มีป่วยมานานแล้วเพิ่งมีครั้งคือคืนวันที่สิบเป็นคืนแรกที่นอนรวดเดียวจากระยะหกทุ่มตื่นตีสามครึ่ง แล้วก็เท่านั้นแหละไม่หลับอีกพงนานแล้วเป็นปีมาแล้วนะอนอนรวดเดียวขนาด น, นี้ม้นนอนชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องตื่น <c oughs> แล้วก็อาการป่วยคราวนี้ดิพอตื่นขึ้นมาประมาณตีสามเสร็จเส็จก็ยกมือไหว้พระนอนภาวนาคิดว่ามันไม่หลับอีกก็มีความรู้สึกว่าเห็นพระธันมาพระอะไรก็าตามนะเป็นพระธัญมาธรบอกคุณ จากวันนี้ไปอาการจะเริ่มคลายตัวแต่อย่าประมาทนะขึ้นชื่ว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดามันจะเริ่มคลายตัวอาการที่คุณเป็นที่แล้วมาคุณสังเกตรหรือเปล่าว่าทวันหนะักของคุณมันติดไม่อยู่แล้วนี่เป็นความจริงบันดาลใจพุทธบริษัทนอนขียไหลให้เขาล้างเขาซักกรรมาตั้งแต่อเมริกาตั้งก่อนหน้าไปอเมริกามันเนื้อด็กอ่อนจริง ไปขึ้นมาก็อุจาระมันก็เปิดที่นอยท่านบอกถ้าวานหนักแม่เปิดการอย่างนี้แปล ก, การของความตายแต่ว่าฉันก็ดีพระนางหลายก็ดียังให้เธอตายไม่ได้พยายามทำทุกอย่างเพื่อความเป็นอยู่ของเธอแต่ทางนี้ไม่ต้องการให้เธออยู่เฉยๆท่นต้องการงานของฉันงานของฉันยังมีเวลานี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปต้นไป ร่างกายจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นใครถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะ่าต้องป่วยควรน่าต้องป่วยแก่ต้องแก่เนื่อยต้องเน่อยต้องมีแน่ขอยตั้ง อ, อกตั้งใจช่วยกันคําว่าช่วยกันช่วยเพื่อทําความส ว, ส ว, ม ใ, วให้เกิดกับคนสร้างความเข้าใจทุ่งให้เกิดกับคนแนะนาคําว่าการเกิดแก่เก็บตายเป็นของธรรมดาทุกกเวศนามีขนาดไหนบอกเขาให้ทราบแต่ว่ากําลังใจของเธอเป็นไงท่านถาม ก็กราบเรียนท่านบอกว่า ก, กลาลังกายสบายมากมีความสุขท่านถามว่าป่วยทำไมจะมีความสุขก็กราบเรียนท่านบอกว่าที่มีความสุขไม่ใช่เพราะป่วยไม่ใช่มีความสุขเพราะอาการป่วยสร่างกายเป็นความสุขที่เกิดขึ้นทั่ร่างกายนี้มันจะพังที่หมดทุกข์ Return. ในทันทีไอ้บ้านในยาหลังนี้แค่ร่างกายไม่ต้องการมาอีกแล้วมันมีทุกข์จะมีทุกขเวทนาต้องการไปอยู่ บ, บ้านที่มีความสุขจริงๆไม่มีความทุกข แม่ก็บอกว่าเธอคิดถูกแต่ยังคิดต่อไปไม่ได้ต้องช่วยกันก่อนอันละบรรดาท่านผู้ถวายสัทก็หยุดกันแค่นี้ดีกว่ากันมั้งเวลานี้เสียงนาฬิกาตีสไลก์บริษัตต์ตรงเตีงตรงเตีงตรงเตีงมันจะใกล้ถึงตีสีแล้วละมั้งเพราะว่าไอ้โหลโทเลโทเลไปยังไม่ได้กินยาเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องกินยาฉัหน่อยจะประมาทมากเกินไปอ่ะก่อนที่จะจบก็คำบรรดาท่านผู้ถวายสัทหลายพ่อมีคุณ ถ้าจมากลา่าจะนี้จะเทียวยกย่องท่านมาเกินไปนะมันยังไม่พอกับความดีของท่านนายไหลทุกคนช่วยทุกอย่างต้องการอะไรมีความขัดข้องอะไรช่วยทุกอย่างไม่ใช่ข้องบางคนแม้แต่ยัดเยียดจ้องเจียดต้องสันจริงๆในทรัพย์สิน ก, ก็พยายามช่วยความดีอย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วชาต่อไปถ้าเกิดใหม่จะหาคนดีอย่างนี้ได้หรือไม่ได้อย่างแน่ แต่ที่แน่ๆก็เวลานี้ทุกท่านช่วยจียงๆถือว่าเป็นผู้ไม่คุณอย่างหนักการป่วยไข้ามาสบายก็ช่วยกันในการรักษาโรคตัวมาไม่ได้ก็ส่งปัจจัยบางคนก็ถึงกันั่งรถนั่งเรือมาดูอาการนี่เราได้ทุกท่านความดีของท่านเป็นอย่างนี้แล้วก็มีหลายคนคนประจำมีหลายจุดช่วยจริงๆการป่วยก็ช่วยถึงการเงินการทองของใช้าอาหารการไปพวกยาโมโบทยรสงเขาในความประโยชน์แต่ไม่ยอมบอกชื่อ มาถึงก็แต่ไหวหลวงพ่อนี่ทํา้อนเชี่ยวกานี่แต่ไวเป็นส่วนตัวหลวงพอ่อแต่อีกสองนี่ส่วนตัวหลวงพ่อมันเปรดกใหญ่มันเหลือใช้ว่าเข้าสงไปเป็นความดีของท่านแอรบรรด า, าธุรกบริษัททั้งหลายเวลาพูดนี่อาจจะบอกเขาจะลอกยากไปหน่อยเพราะลิ้นมันก็แข็งแต่ว่าสายความดีของบรรดาธุรกิจบริษัทขอเทิดทูลความดีของท่านไว้ขอทํานหลายจงทรงความดีของท่านตลอดไปถ้าความดีที่สันนิษานทำดังนี้ ย้งดบราท่านหลายมีความสาเร็จทุกอย่างพัฒนาสิ่งใดก็ไดะฉะนั้นทั้งความพัฒนาและทุกคนจเป็นผู้ช น, นะความทุกข์การทั้งพวกในทีุดนี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนมามงคลสมบูรณ์เหมอัย้งมีแด่บรรดาแท็กสสาวชนิดส่วนผู้รับังเล็อ่านฤษีทุกคนตลอดไป